ปาติเทสนิยกันแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือปาติเทสนิยะแปดสิกขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับปาติเทสนิยสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการออกปากขอเนยใสเรื่องภิกษุณีฉพะคี 1,228 พสี 1, สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีชัพพคีออกปากขอเนอยใสายมาฉันคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโผลนทนาว่าชะนายพวกภิกษุณีจึงออกปากขอเนอยใสายมาฉันใครเล่าจะไม่ชอบใจอาหารที่ปรุงดีพร้อมใครเล่าจะไม่ชอบของอร ե ตอร่อยภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นตำหนิประนามโผนทนา